ก็ก็ดีนะครับก็เดินทางไปทั่วประเทศมาก็เอารถไปด้วยแล้วก <integ orous> <iniz> ็ขายอาหารด้วยนะครับไปเจอคนที่เอาเป็นแฟนทับก็แวะเข้ามาก็ก็ดีนะครับก็เดินทางไปทั่วประเทศมาก็เอารถไปด้วยแล้วก็ขายอาหารไปด้วยนะครับเป็นเจอคนที่เอาเป็นแฟนทับก็แวะเข้ามา